ควรพิจารณาให้ดีเกิดมาแต่าชาตินี้กวัวจะได้พบพระพุทธศาสนานี่ไม่ง่ายนักบางชาติก็ไม่ได้พบเลยเพราะว่านาน น, านถึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งม า, าตรัสรู้ในโลก ไม่ใช่ว่าจะไปพุ่มเผือยเมื่ อ, อไร่ทางนี้ก็เพราะว่าต้องอาศัยบา ร, รมีไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราจะไปตัสรูเอาไดเลยต้องอาศัยการสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆมา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 พระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้นี่ผู้นั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จักคุณธรรมสี่ประการมีทานกบ ร, รมีเป็นต้นมีอุเบกขาบ ร, รมีเป็นที่สุดไม่เห็นอนุภาพแห่งพระบ ร, รมีธรรมเหล่านี้ว่าจาก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 ก็โดยอาศัยคุณธรรมสิบประการนี้เองไม่ใช่ว่าไม่มีแบบมีแผนนะชีวิตของคนเรานี่นะ <c oughs> มันมันมีแบบมีแผนอยู่มันเป็นไปตามแบบแผนแต่แบบแผนนั้นนะ่ะมันก็อุปมาเหมือนยังแผนที่นั่นเองแหละ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 มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือได้เรียนได้จํามาอไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเลยหมายความว่าพระธรรมคําสอนนั้นไม่ได้คาจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจของบุคคลผู้เพียงแค่จําเอาไว้ได้เฉยๆเท่านั้น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 แต่พออาศัยกิเลสเหล่านี้เยมันจิตใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็บรรดาลให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ลงมือกาจัดมันมันก็จะไม่ดับไปจากจิตใจนี้เลยความโลภหมายเอา การปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปภายนอกไปเกาะไปคล้องอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัดอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเมื่อมันเพ่งไปพอๆเข้าไปความอยากความต้องการมันก็มีมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะ ไม่สำรวมอินทรีย์โดยเฉพาะมนินทรีย์นั่นเนี่ยอินทร์อินทรีย์คือใจนั่นนะตรงใจไปแต่ภายนอก น, น, นี่ไปหมายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไว้ในใจเสมอเสมอวิตกวิจารไปในรูปในเสียงเป็นต้น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 มันเป็นเหตเุให้คนเราได้ทำชั่วแม้ผู้ประพฤติผิดในการามทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยเพราะอาศัยสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตนั่นเองเมื่อมันได้เห็นรูปเป็นต้นแล้วมันเกิดชอบใจขึ้นมาจะเป็น สามีของเขาหรือเป็นภรรยาของเขาก็ตามเมื่อมันยึดรูปารมณ์นั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางอย่างนี้มันก็แน่นอนแนะความอยากความปรารถนาในรูปนั้นมากัดขึ้นสุดขีดมันเมื่อมันขึ้นสุดขีดแล้วอย่างนี้เรื่องบาปกรรมนั้นไม่ไม่ได้ไม่ท้องคำานึงถึงมันแล้ว ก็ต้องไเวเสแวงหารูปที่ต้องการนั้นจนได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยมนต์คาถาไ ม, ไม่ได้ด้วยมนต์คาถาก็เอาด้วยเงินมีเงินมีเท่าไหร่ก็จ่ายมันออกไปนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังว่า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 การทำนาทำสวนทำการค้าขายทำการช่างต่างๆหมู่นี้ไองานละกิเลสบาปธรรมออกจากหัว ใ, ใจไม่คำนึงเลยไม่ทำเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะไม่นึกว่ากิเลสบาปธรรมเหล่านี้เป็นศัตรู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 ก็ไม่ใช่ว่ามันจะโกรธไปอยู่ตลอดเวลาอา้าถ้าหากว่าบุคคลใดที่เป็นน่าเป็นบุคคลที่น่ารักก็รักไปถ้าบุคคลใดที่ตนเห็นว่าเป็นน่าเกลียดน่าชางังก็เกลียดชังกันไปแม้ผู้นั้นจะทาความดียังไงก็ไม่สน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 จิตใจปราศจากเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เป็นเหตุให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยๆไปมูลีมันมันขึ้นอยู่กับการกระทาทั้งนั้นไม่ใช่เหลือลองพิจารณาดูอันนี้เรียกว่างานทางใจอย่าว่าการเจริญเมตตาอย่างนี้นะ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 อพอระลึกได้อย่างนี้แล้วมั่นก็ไม่คิดเพ่งเลงไปในบุคคลอื่นด้วยความเกลียดชังด้วยความอิจฉาหรือเสีเลยแบบนี้นะมีแต่นึกคิดอธิษฐานจิตขอให้เขาเป็นถูกทุกข์ทุก น, น่าอย่าได้ผูกกรรมผูกเกวนผูกโกรธผูกพยบบาทต่อกันและกันเลย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 อย่างนี้แหละอาผู้ที่เป็นนักปรารบัณฑิตสนใจในศิลในธรรมไปพบกันเข้ากรชื่นชมยินดีต่อกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในทางศิลธรรมต่อกันและกันถ่ายทอดความรู้ความฉลาดในทางศิลธรรมในทางบุญกุศลต่อกันและกัน อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงพระศาสดาจึงตรัสว่าคบผานผานก็พาไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนชั่วก็พาตัวยากจนอันนี้นะว่าไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นคนเราต้องให้ศึกษา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 เทียบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคนชั่วนั้นเป็นคนอกตันโูไม่รู้จักคุณของท่านพูมีอุปการะแก่ตนนี่ก็เป็นคนชั่วอีกประเภทหนึง่งอันนี้นะไอ้คนไม่รู้จักบาปกรรมความชั่วต่างๆมูนี่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 สรงเสริมคนอื่นให้เห็นตามตนนะเร่นี้นี่เรารู้ได้เลยเทียบกับคำสอนของอุตตเเจ้านะว่าเป็นความเห็นผิดคล้ายๆก็เห็นว่าบาปไม่มีโน่นะ่ะรืองมันะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะการที่เราจะพิสูจน์คนชั่วนั้นนะไม่ยากอะไรเลย เพียงจะได้นั่งสนทนาการฟังความคิดความเห็นของกนแในการไปไม่นานล้วก็รู้ได้เลยอย่างนั้นแม้คนดีก็เหมือนกันนะเมื่อเราได้นั่งสนทนาปราศัยต่อกันและกันไปแล้วก็ไทยถามความคิดความเห็นของกันและการไป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 แล้วทีนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อมไม่เที่ยงแล้วมันก็วันไว้ไปมาทนได้ยากลำบากอย่างนั้นนะในที่สุดมันก็แตกดับลงไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมานีเมื่อบุคคลทำดีความดีกรรมดีนะมันก็ นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดที่ดีมีความสุขความเจริญนี่หมายเอาบุคคลที่ยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็มนะเป็นอย่างนั้นหากใครทาชั่วยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็นําจิตวิญญาณนี้ไปสร้างรูปกายอันน่าเกลียดน่ากลัวที่ท่านกล่าวว่าสัตว์นรกปังเปรตปัง อาสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างให้ดวงขิตนีได้อาศัยได้รับทุกข์ทนทรมานไปอันกรรมชั่วเนี่ยมันย่อมนำไปสู่ที่ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีทางมันจะนำไปสู่ที่สถานที่จเจริญรุ่งเรืองอมีความสุขความสำราญไม่ไม่มีเลย ถ้าผูใ้ใดได้ความรู้ความเห็นอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้นั่นแหละคนดีขอให้เข้าใจคนดีอย่างหนึง่งได้แก่คนที่เมื่อได้เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ละเลยลงมือกระทาบาเพ็ญเพียรไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละ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 เป็นผู้ฉลาดสามารถละความชั่วออกจากตัวได้สามารถทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีเป็นตัวอย่างของคนอื่นได้โมลนีนะคนดีเราอยากรู้จักเราต้องไปสนทนาปลาใสซะก่อนต้องพบหาสมาคมกันไปพอสมควรไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่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 เป็นผู้มีพระคุณทั้งนั้นเลยเป็นผู้มีอุปการะคุณเ <c oughs> นี่ยเมื่อบุคคลมานึกถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ลองมือประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระคุณเหล่านี้นี่แหละ <c oughs> เราละกิเลสตัณหาบา ป, ปรธรรม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 เปนงนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกคนเมื่อเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเห็นโทษแห่งอุปทานนักขันหรือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อเห็นโทษของกิเลสและความยึดถืออย่างว่านี่แล้วแล้วก็เพียรพยายามละมัน อ, อกไปเลยนะละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธ ด, ด้วยการ จเจริญเมตตาการุณาด้วยการสมทานมั่นในศีลให้มั่นคงละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการจเจริญสมสถะทำใจให้สงบระงับแล้วก็จเจริญวิปัสนาต่อเมื่อทำใจสงบระงับแล้วซึ่งพิจารณาธาตุสี่ขันหานี้ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริง แล้วสอนจิตนี้ไม่ให้ถือมั่นให้ปล่อยให้วางขันห้านี้ลงไป